เคยได้ย ja de ja ินบางคนเคยวิจารณ์ว่าเป็นกรรมฐานนกกระยางเคยเห็นนกกระยางเดินไหมยกขาทําไมทําไมทําไมไม่เป็นมนุษย์เคยหายใจยังไงหายใจอย่างนั้นเคยเดินยังไงเดินอย่างนั้นตัวสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ากระบวนท่าของการหายใจหรือกระบวนท่าของการเดินกระบวนท่าของการนั่ง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 สัมมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดอันนี้ต้องไปเรียนอีกสักภาคหนึ่งเรียนรวดเดียวคงเรียนไม่ไหวหรือไม่พวกที่มีวิทยากร น, นั้งก็ไปถามเอาเพราะฉนั้นไม่ใช่เรียนรูปแบบคนชอบมาคิดว่าหลวงพ่อสอนดูจิตเข้าใจผิดละหลวงพ่อสอนว่าทำยังไงสติจะเกิดทายัางไงจิตจะตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิในระหว่างที่รู้กายรู้ใจสอนตรงนี้ทัางหากไม่ใช่สอนดูจิต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 พาสรุปให้ฟังไปแล้วนะถ้าถ้าไม่มีสติก็ลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจทำวิปัสน า, ามไม่ได้เพราะวิปัสน า, ามต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าขาดสัมมาสมาธินะมีสติรู้กายรู้ใจแต่จะรู้ไม่ตรงความเป็นจริงมันจะกลายเป็นเพ่งกายเพ่งใจกายก็จะแข็งแข็งนิ่งๆใจก็จะแข็งแข็งนิ่งๆต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ ดนัน เ, เราจะเรียนเพื่อพัฒนาสองตัวนี้นะตัวที่หนึ่งคือสติที่แท้จริงหรอสสส 2, ือสัมมาสติตัวที่สองก็คือตัวสัมมาสมาธิเราจะเรียนสองตัวนะทำงททงะททงงไ ง, ำงสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้น S, มาสติที่แท้จริงเป็นยังไงทำไงสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเป็นยังไงทำไงสัมมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเรียนสองตัวนี้ไม่ต้องเรียนหรอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา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 ความโลภเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าอ้อโลภแล้วใจลอยไปสติระลึกได้ว่าใจลอยไปแล้วนี่ความระลึกได้สติมันจะระลึกได้นะมันต้องเห็นบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนอย่างเร า, า, า, า Lion, เนี้ย yan, เห็นคนเดินมาสมมติว่าเห็นชมพูมาอย่างเงี้ยชมพูมาวัดบ่อยๆพอเห็นชมพูมานะ Orlando, หลวงพ่อก็นึกได้อ้อน treated, 謝謝ี <un> <man> sulla, ่ชมพูมาล้วจำได้ชมพูนะไม่ใช่สุเมศสุเมศไม่ใช่ชมพูไม่ใช่อุตสาไม่ใช่แก้ว